เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มนันเป็นเรื่องหนึ่งคือภาระหนักมันเข้าไปยึดตัวสมุทัยนี่เองอเราไม่ได้มองตัวสมุทัยนี้สักทีเลยอาตจจมาอายุสี่สิบหกปียังได้รู้เรื่องนี้ขึ้นมาดังนั้นจึงจะพูดแต่เรื่องเดียวเท่านี้จริงวตัวเองรับรองว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ไม่พอใจกับสิ่งนี้แต่ทาไมสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้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 และแนะนาคนอื่นนั่นตัวเองทำให้ถูกต้องแนวครองแพร่สํานิดสํานานคนอื่นก็ทำได้ถ้าหากเราทำไม่เป็นแล้วจะไปสอนสคนอื่นตัวเองก็ทำไม่ได้นี่หวเขาเรียกว่าคนอวดดีไม่ดีดีในตัวคนอวดดีพูดได้แต่ทาไม่ได้อัตมาเคยพูดให้ฟังเคยทำความสงบทนี่ทําได้ใครต้องการมาศึกษาอัตมาสอนให้ได้รับรองบอกว่า